ข้อสองนะหนึ่งที่นั่งอันไม่กำบางพอที่จะทำการร่วงละเมิดเสร็จในถุนแต่เป็นที่เหมาะเพื่อที่จะพูดเคาะด้วยวาจายากลูดพูดให้มาตุกะบนเปลต้นด้วยกามสุขที่อูรูปใดขำเรกการน้า พึงโจบ ด, ด้วยอาการใดสงคึนปรับโทษตอเมื่อที่สุนันต์ยองรับอาการนั้น้าพนั้นในศีขาบทนี้ก็ชื่อว่าอานิยตครับนาต่อให้จบกันได้ครับศีขาบที่ชื่อว่าอนิยต์สองศีขาบทข้าพระเจ้าสแไร พระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองนะข้าพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทหรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธน์อาบันอริยสิกขาบททั้งสอ ง, องดัง น, นั้นจิต ในสุขาบนี้นะครับไม่ได้เป็นที่นั่งที่กำ บ, บังนะที่จะเสร็จเมตุนอย่างนั้นได้นะครับอาจจะเปิดประตูหน้าต่าทิ้งไว้นะครับหรือไม่มีฝาบังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่พอจะพูดนะวาจารามกผู้หญิงได้นะครับพูดอะไรนะมันได้สองข้อใช่ไหมครับผู้บาจารามกภาคีถืงทวารหนักทวารเบาและการเสร็จเมถุนเะมีอะไรของนั้นนะ หรือว่าพูดล่อกให้หญิงเบเินตอนด้วยกันครับไ mm hmm. ม่ย่อลงสองข้อนั่ะเพราะไม่มีใครรูกใครเห็นเนี่ยคือในระยะสิบสองสองเนี่ยไม่มีใครอยู่แถวนั่นเลยเราระยะหกเมตรนะแล้ววิสุ ก, ก็นั่งนะครับถึงแม้จะเป็นที่แจ้งอะไรก็แล้วแต่นะนั่นเรียกว่าที่เล่าถึงนะครับ mm hmm. พ่อสามมันที่จะคุยอย่างนี้ได้นะโดยคนอื่นเขาไม่รู้นะเพราะเขาอยู่ไกลนะนะ mm hmm. ครับ ก็ว่าที่สุดใดสม็จการนั่งการสถานที่ไปัจจุนี้มีใจมุ่งที่รับนะกับผู้หญิงนะครับกับผู้หญิงนี่ตัวต่อตัวอย่างเงี้ยตัวตัวนะตัวตัวถ้ามีผู้หญิงคนอื่นนั่งอยู่ด้วยข้อนี้การรับได้ครับเกี่ยวกัารนั่งที่รับนะผู้หญิงนะครับการรับได้บอกว่าอันนี้ก็เหมือนการนั่งบริการมีคำพูดเชื่อถือได้ก็เหมือนตะกี้นะครับ จทย์ด้วยบัตรเหลือเหลือแค่สองนะครับเพราะว่ารวลาิ้นไม่สามารถทำได้แล้วก็เลยสังคาริเสทไปอีกทียังไงก็ต้องเอาตามคำปฏิญาของผ้ะนะครับสงพึงปรับด้วยอันปฏิญาอย่างหนึ่งหรือถึงไม่เข้าจอดรงเลยว่าเห็นพระไปทำอย่างนี้เลยนะในเงื่นยังไงครับสงพึงปรับทอต่อเมื่อพิสูจนัยอมรับอาการนั้นเท่านั้น ผู้หญิเขาจะไม่ปกปิดเรื่องเกี่ยวผู้ช่วยอย่างวนี้กันถ้าจะเปิดฟองเลยถ้าเป็นอะไรนะวันนจะพูดถึงถ้าเป็นอนาคตตาบออดนี้นะหรือว่าหูหมวกก็การบัดไม่ได้ครับต้องตาดีด้วยหูไม่หมวกด้วยครับกถึงการอาบัดในะนะช่ใช่ก็ใช่ครับถึงห<ม>ูดีนะแต่ตาบอดก็การาบัดไม่ได้คนระับต้องดีน้งสอง เดินทาไม่ได้ไม่เกี่ยวครับนะถ้าหนนิตานีก็การงานมันได้หมดครับเพราะว่าเขาสามบ้าบอกได้หมดใช่ไหมถ้าเป็นใบไม่หายดีมาคู่กันเก็บใบกับหัใช่ใชใบ คู่กันนี้เขาไม่ไม่ใช่ถ้าหูดูเขาจะเป็นใบด้วยถ้าหูหนวกมาแต่เกิดก็จะเป็นใบไม่ไดกเป็นธรรมดาพราเขาไม่ได้เรียนรู้ภาษาคนใช่ไหมครับเขาจะพูดไม่ได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นใบเน่ะไม่แน่ใช่ไหมครับบางทีเขาออกเสี่ยวงเข้าเป็นใบแต่หูเขาดีก็ได้ครับเขาเช้ภาษาภาษาอะไรนะ เอามาดูตนนดนน้นบัญญัณเนี่ขอได้เนี่ยต้นบรรยัณหกร้อยแปดสิบนะครับตนบ้นบรรยัณอย่างคนเดิมครับเรื่องพระอุาาาทายยิจนาวิสาสามิคามาตาโดยสมัยนั้พุทธภาพเจา้าเจ้าประทับอยู่หน้าระเชตวันอาราม ข, ของนาถบิิกาข้าบดีเกตพระนครสามวันีรครั้งนั้นท่านพระอุทยดํ า, ายยดริว่าพุทธภาพเจ้าทรงห้ามการสําเร็จการนั่งในที่รับ คือใ น, อาานาากันกษณะการบางพอจะทำการได้กรรม า, ราทุคามหนึ่งต่อหนึ่งจึงสำเร็จการตั้งในที่รับนะครับคือที่รับหูนะววเวโรจารจางห้างการนั่ที่รับตาผู้หญิงใช่ไหมครับแกก็เลยเป็นหน้าที่รับหูแทนครับกับสาวน้อยคนนั้นแหลกครับโอ๊สงสัยแกชอบเป็นยังไงไม่รู้นะครับก็ไปหาผหีคนนั้นอีกเนะร่าเดิมหนึ่งต่อหนึ่งนะเจเดจากล่าวทำอยู่ควรแกะเ ว, วลา อ่าภาั้งที่สองนะมิสาลถามมิคารามาตตาก็ถูกเชิญไปสู่สกุลนัเหมือนเดิมครับก็ไปเห็นท่านพระอชายินหน้าที่รับประทานน้อยนะอันต่อหนึ่งครั้งแล้วได้กลาวคนนี้กับท่านพจนายีว่าก็พูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะก็มาเตือนท่นทานพจนายีนะครับแค่พระปุณจ้าการที่พระปุณจ้าเมื่อไหร่ที่รับประมานกุคราหนึ่งต่อหนึ่งเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควร ถ้าคุณเจ้าแม้ไม่ต้องการด้วยธรรมนั้นก็จริงถึงแบบอย่างนั้นพวกชาวบ้านผู้ที่ไม่เลื่อมใสจะบอกให้เชื่อได้หรือยังนะครับถ้าผ่านยินม้ถึงนวิสาหะเตือนอย่างนี้แล้วก็ไม่เชื่อฟังครันวิสาหะพอกลับไปแล้วก็ได้แจ้งนันแก่สุดทั้งหมายบรรดาที่จุดผมากน้อยสืโดังก็แข่งเข้าอยู่จริงปัญนาแล้วกลาวเนื้อความว่าแต่ที่เมื่อวานจ้า พระหลวงก็ปะชุมสองทรงสอบถามทรงติดเช็คพวกไทยแล้วก็มีศึกาผลนี้ขึ้นมาอันนี้เอาเป็นที่รับรับแทนนะ